คราวที่แล้วเราก็ฟังมาถึงตอนที่พระเรวัตะเมื่อขอลาสิกขากับปุปัตชาจากนั้นพระอาจารย์ก็ได้พาพระเรวตะไปดูความทุกข์ของชาวบ้านและป่าช้าผีดิบทําให้พระเรวัตะแจ้งในสัจธรรมคลายความรักในลีลาวดีลงได้พระอาจารย์ได้ให้พระเรวตะไปบําเพ็ญสมณธรรมที่ปุปพารามเพื่อให้ห่างไกลาจากลีลาวดี พระเรวตะอยู่บำเพ็ญธรรมณที่นั้นกุศลธรรมก็เจริญพอสมควรต่องมาในคืนวันหนึ่งมีผู้หญิงมาเคาะประตูเรียกพระเรวตะเปิดประตูออกมาเห็นหน้าแขกในยามวิกาลก็ตกใจเพราะเธอคือลีลาวดีนั่นเองเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปขอเชิญท่านรับฟังได้เนื้อบัดนี้ค่ะ ผูมีอายุข้าพเจ้าถึงกับตะลึงงานไปชั่วขณะที่ได้เห็นเจ้าของเสียงเมื่อกี้นี้เป็นหญิงสาวสวยนั่งอยู่บนพื้นท่ามกลางแสงจันทร์ซึ่งสว่างพอที่จะจําได้ว่าเธอเป็นใครดิราวดีข้าพเจ้าอุทานออกมาด้วยเสียงค่อนข้างดังถูกแล้วคะ่ะดิฉันเองดิลวดีเธอตอบด้วยอาการปรกติเธอมาที่นี่ได้อย่างไรดิ ร, ราวดี เธอมากับใครข้าพเจ้าถามพรางนั่งลงในระยะห่างจากดีลาวดีประมาณหนึ่งวาทั้งดีใจทั้งตื่นเต้นที่พบกับดีลาวดีโดยไม่ได้คาดฝันเธอรู้ได้อย่างไรว่าอัตมาอยู่ที่นี่ดีลาวดีตอบว่าดิฉันรอฟังคําตอบของท่านด้วยความโกวนกระวายใจจนครบสามวันเมื่อไม่เห็นท่านกลับไปบอก ดิฉันจึงตามไปที่พระเจตวนารามเมื่อไม่พบท่านดิฉันจึงเที่ยวตรเวจถามพระสองฆ์องค์เจ้าในวัดแทบทุกองค์แต่ไม่มีองค์ใดบอกว่าท่านไปไหนจนเมื่อเร็วๆนี้นั่งทาสีคนหนึ่งได้ไปบอกว่าได้พบท่านที่บุพารามเขายังยืนยันว่าเขาจําได้ว่าเป็นท่านแน่นอนดิฉันจึงให้เขาพามาในคืนวันนี้ลิลวดีหยุดเล่า พลังเรียกนางทาสีมานั่งเป็นเพื่อนข้าพเจ้าพูดกับลีลาวดีว่าดีใจเล็กเกินที่ลีลาวดีมาเยี่ยมอัตมาจนถึงที่นี่แต่เธอน่าจะมาตอนกลางวันมาในายามค่ำคืนเช่นนี้รู้สึกไม่เหมาะเลยข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าลีลาวดีคุยกับข้าพเจ้าด้วยความกระวนกระวายเธอมักจะมองไปรอบๆตัว คล้ายกับหวาดระแวงอะไรสักอย่างหนึ่งที่ดิฉันปรีดตัวมาหาท่านได้นี้ก็นับว่าเป็นโชคอันประเสริฐอยู่แล้วท่านยังไม่ทราบดอกนะว่าเวลานี้ดิฉันกำลังอยู่ในสภาพอย่างไรมีอะไรผิดปกติหรือรีลาวดีเข้าพปเจ้าถามด้วยความสนใจทันทีแล้วลีลาวดีก็เริ่มเล่าเรื่องของเธอให้เข้าพเจ้าฟังดังต่อไปนี้ ลีลาวดีได้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าช่วงที่ข้าพเจ้าจากเคตาวณารามไปแล้วไม่นานก็มีชายหนุ่มลูกเศรษฐีชื่อสุวัฒนกุมารได้พบกับลีลาวดีในงานนักขัตเลิกครั้งใหญ่งานหนึ่งสุวัฒนกุมารเกิดหลงรักลีลาวดีเป็นอย่างมากทาั้งๆที่เพียงได้พบเห็นกันเป็นครั้งแรกเขาได้จัดให้ผู้ใหญ่ไปสู่ขอแต่ลีลาวดีไม่สนใจและไม่มีใจ ที่จะรักตอบด้วยเพราะหัวใจของเธอมีเรวตะอยู่แล้วทั้งฝ่ายแม่ของลีลาวดีก็อ้อนวอนขอร้องให้เธอลืมเรวตะแต่งงานกับสวัฒนกุมารเสียลีลาวดีไม่ยอมเด็ดขาดฝ่ายแม่ก็จะใช้วิธีบังคับให้แต่งงานจนได้ในที่สุดลีลาวดีก็ต้องบอกกับแม่ของเธอว่าถ้าแม่บังคับให้ลูกแต่งงานลูกก็จะฆ่าตัวตาย ได้ยืนยันว่าเธอยินดีที่จะแต่งงานกับเรวัตะเพียงคนเดียวหัวใจของเธอเป็นของภิกษุพเนจรเรวัตะแล้วอย่างสมบูรณ์ในชีวิตนี้เธอไม่สามารถจะรักใครได้อีกนางพรมามณีก็ไม่สามารถที่จะทาอย่างไรได้ได้แต่ขอผลัดกับญาติผู้ใหญ่ของสุวัฒนกุมารว่ายัางไม่รู้จักอุปนิสัยใจคอของสุวัฒนกุมารดีพอ ในที่สุดสวุวรรณกุมารก็พยายามไปทําความคุ้นเคยกับนางพรามณีและลีลาวดีที่บ้านบ่อยๆสวุวรรนกุมารหนุ่มผู้คลั่งรักพยายามพูดให้ลีลาวดีเห็นใจและเชื่อใจในความรักของเขาแต่ลีลาวดีก็ไม่มีทีท่าว่าจะโอนอ่อนผ่อนตามเลยมีอยู่คราวหนึ่งสวุวรรนกุมารได้พยายามที่จะพูดกับ ลีลาวดีว่าข้าพเจ้าคิดว่าเทพเจ้าเบื้องบนคงจะสร้างข้าพเจ้ามาเพื่อเป็นทาตจิตใจของเธอโดยเฉพาะในชีวิตนี้ข้าพเจ้าเห็นจะอยู่โดยปราศจากเธอไม่ได้เสียแล้วเห็นใจข้าพเจ้าบ้างไหมลีลาวดีลีลาวดีตอบอย่างเหนื่อยๆตาอย่างจับจ้องอยู่ที่ดอกโกมุตข้างหน้าว่าดิฉันอยากจะเห็นใจคุณ เราเพิ่งจะรู้จักกันชั่วระยะเวลาอันน้อยขอให้เราครบกันไปนานกว่านี้อีกสักหน่อยบางทีฉันอาจจะเห็นใจคุณคำพูดปลืยมสุดท้ายของหญิงสาวทําให้ชายหนุม่มยิ้มออกมาได้นิดหนึ่งแล้วเขาก็กล่าวว่ากว่าเธอจะเห็นใจฉันฉันอาจจะตายเสียก่อนเพราะแรงรักก็ได้มีอะไรอีกบ้างที่ฉันจะต้องทําเพื่อให้เธอเห็นใจ โปรดบอกมาเถิดฉันเป็นทาสของเธอแล้วทั้งกายและใจลีลาวดีตอบว่าคุณไม่ต้องทำสิ่งใดทั้งสิ้นนอกจากคอยการเวลาจะเป็นผู้ตัดสินเองลีลาวดีในโลกนี้มีคนเป็นอันมากที่ปากกับใจไม่ตรงกันแต่ฉันไม่ใช่คนประเภทนั้นนะฉันขอรับรองด้วยเกียรติตระกูลและอาจารย์ทิสาปาโมกแห่งตักกศิลา ลำพังคาพูดของฉันยังไม่เพียงพออีกหรือดิฉันอยากจะเชื่อคำพูดของคุณแต่โบราณไม่ได้กล่าวไว้ดอกหรือว่าคำพูดของคู่ความในคดีหนึ่งของทูตผู้มาเจรจาความเมืองหนึ่งของพ่อค้าผู้ขายสินค้าหนึ่งของชายหนุ่มที่กำลังรักในหญิงสาวหนึ่งอย่าเพิ่งเชื่อให้มากเกินไปชายหนุ่มนั่งนิ่ง มองดูดีลาวดีด้วยความประหลาดใจในคําพูดอันมีคติของเธอดีลาวดีไม่ใช่สวยเฉพาะทางรูปล่างแต่ยังเฉลียวฉลาดและมีความรู้ดีอีกด้วยเอาเถอะถ้าเพื่อเป็นความพอใจของเธอแล้วแล้วก็ฉันยินดีที่จะคอยชายหนุ่มกล่าวอย่างอ่อนโยนแล้วก็ลุกขึ้นยืนฉันลาคุณไปก่อนวันหลังจะมาพบใหม่ ลีลาวดีรู้สึกโล่งใจที่สวัฒนากุมารกลับไปเพราะเธอจะได้หาความสุขจากการคิดถึงความหลังต่อไปโดยไม่มีใครบครบกวนสายลมเย็นพัดมาวูบหนึ่งทำให้กลีบดอกโกมุตที่อยู่ข้างหน้าร่วงพู ล, ลงมาลอยเป็นแพรอยู่บนพื้นน้ำอุบัติการเล็กน้อยของธรรมชาตินี้ทำให้ลีลาวดีหวนเข้ามาคิดถึงชีวิตของตัวเอง วันคืนผ่านไปชีวิตของเธอก็อผ่านไปด้วยรูปร่างที่กำลังสวยงามก็นับวันแต่จะร่วงโรยไปในไม่ช้าก็จะถึงซึ่งความแตกดับคือความตายดุจกรีบดอกโกมุตที่ร่วงโรยลงสู่พื้นน้ำเฉะนั้นดังที่ปราลาดแต่บุราณกล่าวไว้ว่านารีจะดูงามก็เมื่อยามที่ยังเยาว์ แ, าแก่แล้วลก็วกเหี่ยวเฉา บ่มีส่วนจะเพื่อชมดุดดวงบุพชาติงามวิราชหน้าเด็ดดมแรกบานก็งามสมแต่บ่อนานก็โรยราเมื่อคิดถึงความจริงเหล่านี้แล้วหญิงสาวก็รู้สึกเศร้าใจและเบื่อหน่ายในชีวิตเธอคืนสู่บ้านด้วยหัวใจอันหดหูสวรรณกุมารมหาลีลาวดีทุกวันพร้อมด้วยของขวัญอันมีค่าต่างๆ แต่เขาก็แบ่งเอาความผิดหวังกลับไปทุกวันลีลาวดีไม่ได้ให้ความหวังอะไรกับเขานอกจากคำว่าคอยไปก่อนฝ่ายมารดาเฝ้าคอยดูผลการติดต่อระหว่างลูกสาวกับชายหนุ่มเมื่อไม่เห็นมีผลสำเร็จอะไรเกิดขึ้นก็รู้สึกกลัดกลุ่มใจเป็นกำลังนางเองก็รู้สึกจนปัญญาไม่สามารถที่จะหาวิธีการอย่างไร มาพูดชักจูงลูกสาวให้ยินยอมตามนางรู้สึกว่าเหตุผลประการเดียวที่ขัดขวางไม่ให้นางบรรลุผลสำเร็จก็คือเรวตากูมารแต่นางก็ปกปิดไว้ไม่ได้แจ้งให้ฝ่ายสุวัรนากูมารทราบเพราะเกรงว่าจะเป็นการเสื่อมเสียเนื่องจากเรวตเป็นจำทานและเป็นอดีตมหาโจร การพบปะสนทนาของสุวัทนะกุมารกับลีลาวดีแต่ละครั้งไม่ได้มีผลทำให้ลีลาวดีใจอ่อนแต่อย่างใดเพราะจิตใจของเธอจดจ่อและรอคอยเลวะตะเพียงผู้เดียวมีอยู่ครั้งหนึ่งขณะที่สุวัฒนะกุมารกำลังขอร้องอ้อนวอนให้ลีลาวดีเห็นใจในความรักของเขาอยู่นั้นนางทาสีคนสนิทของลีลาวดีก็ได้วิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาคุกเข่าลง ข้างๆและบอกข่าวที่ได้พบกับเลวตตาภิกษุในขณะที่บินทบาทและนางก็ได้เดินสะกดลอยตามไปห่างๆจนถึงที่กุติของท่านที่บุพารามนีลวดีคุยกับนางทาสีด้วยความดีใจที่ได้ทราบข่าวของพระเลวตตาจนลืมไปว่ากําลังคุยอยู่กับสวทนากุมารในที่สุดสวทนากุมารก็รู้ว่าหัวใจของดีลวดี เป็นของคนอื่นไปเสียแล้วแต่สุทัศนกุมารก็ไม่ละความพยายามขวาดแผนการอันชั่วร้ายขึ้นเพื่อขจัดเรวตะไปให้พ้นเสียจากทางรักของเขาลีลาวดีได้พบกับพระเลวตะที่บุพารามเพื่อเล่าเรื่องราวที่มีสุทัศนกุมารมาสู่ขอเธอและขอร้องให้เรวะตะลาสิขาไปอยู่กับเธอ ผู้มีอายุข้าพเจ้าเป็นคนใจแข็งแต่เมื่อได้เห็นหน้าของลีลาวดีหรือได้ฟังคําพูดของเธอข้าพเจ้าก็กลายเป็นคนใจอ่อนข้าพเจ้ารู้สึกสงสารลีลาวดีอย่างจับใจเกือบจะรับปากกับเธอเสียแล้วว่าจะลาสิขาบทแต่ก็ยับยั้งไว้ได้ไม่กล่าวออกมาทางวาจาแต่ทางใจนั้นข้าพเจ้ารับอย่างเต็มที่ ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะทนเห็นลีลาวดีเป็นทุกข์ทรมานเพราะการรอคอยข้าพเจ้าต่อไปได้เมื่อลีลาวดีกลับไปแล้วข้าพเจ้าก็เตรียมเก็บบริขารตั้งใจว่าเช้าวันลุ่งขึ้นจะไปกราบลาอาจารย์ที่พระเชตวันคืนนั้นคงคิดหนักอีกตามเคยความสงบสุขภายใต้ร่มผ้ากาสาวพัดได้หวนกลับมาทำให้ข้าพเจ้าลังเลใจอีก แต่ความสงสารลีลาวดีก็สามารถปราบมันลงไปได้ข้าพเจ้าตัดสินใจอย่างกล้าหาญอีกครั้งหนึ่งว่าจะสึกไปร่วมชีวิตกับลีลาวดีสวัสดนกคูมารมีส่วนช่วยในการตัดสินใจครั้งนี้อย่างสําคัญถ้าเขาไม่มาแทรกในเรื่องของเราข้าพเจ้าอาจจะยังไม่ตัดสินใจก็ได้คนเราก็แปลกนะท่านผู้มีอายุเมื่อยังไม่มีคู่แข่ง ทำอะไรก็เฉยๆเนื่อยๆพอมีคู่แข่งก็ดูขึงขังเอาจริงเอาจังขึ้นความรักของข้าพเจ้ากลับมีชีวิตชีวาขึ้นมาเพราะว่าตนกำลังมีคู่แข่ง ข้าพเจ้าไปสู่เชตตวานารามในเช้าวันลุ่งขึ้นพระเทศตวานารามในต้นวสันตฤดูดูชุ่มชื่นเรื่อนลมน่าอยู่มากต้นไม้ทุกต้นกำลังพลิดอกออกช่อสะพรังพระพิสุสง์ก็ดูคับข้างขึ้นเพราะพระบรมศาสดาได้เสด็จกลับมาจากเมืองสาเกตมาประทับอยู่ประจําแล้วก่อนอำลาพระอาจารย์ ข้าพเจ้าได้แวะเยี่ยมพระสุมณนะซึ่งเคยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ข่าวเป็นโจรเพื่อนเก่าแก่ที่จากกันไปนานๆเมื่อกลับมาพบกันอีกก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเหมือนกันข้าพเจ้าได้เล่าเรื่องภายในใจของข้าพเจ้าให้เพื่อนฟังอย่างไม่ปิดบังพร้อมทั้งบอกความตั้งใจว่าจะศึกด้วยสหายของข้าพเจ้านิ่งฟังอย่างเห็นใจแต่ไม่ออกความเห็นใดๆ สหายเอ๋ยชีวิตในพระาศาสนาของข้าพเจ้าคงจะสิ้นสุดลงในคราวนี้แน่สหายเล่ายังมั่นคงต่ออุดมคติแห่งพระาศาสนาดีอยู่หรือเ อ, อ่อเวลานี้ก็ยังมั่นคงดีอยู่แต่ต่อไปในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ไม่อาจจะรู้ได้แต่ถ้าจิตใจยังอยู่ในสภาพนี้เรื่อยไปผมก็คิดว่า พอจะบวชถวายแก่พระศาสนาได้เป็นการดีแล้วผมขออนุโมทนาท่านสหายเจริญในธรรมอะไรเป็นประจำหรือจึงมีจิตใจมั่นคงดีเช่นนั้นตามปกติผมก็เจริญมรณสติคือหมันระลึกถึงความตายคิดให้ชีวิตเป็นของน้อยชีวิตคือการเดินทางไปสู่ความตายทุกคืนที่ผ่านไปคือก้าหนึ่งก้าหนึ่ง ที่นำเราใรกล้ความตายเข้าไปทุกทีเมื่อตายแล้วก็จะต้องเกิดอีกเกิดแล้วก็ตายอีกเราจะเกิดตายอยู่อย่างนี้ไม่รู้ว่าอีกกี่แสนชาติภาวะการอันซ้ำซากอย่างนี้เป็นของน่าเบื่อนายสำหรับพระอริยเจ้าท่านจึงคิดหนีไปเสียจากการตายและการเกิดอันไม่รู้จักสิ้นสุดนี้เมื่อผมคิดตามแนวนี้แล้วก็เริ่มเห็นว่า ชีวิตเป็นของน้อยจริงๆระยะ 60- เจสปีที่เราอยู่ในโลกนี้ถ้าจะเทียบแสนแสนชาติที่เราเคยเกิดมาและอีกแสนแสนชาติที่เราจะต้องเกิดอีกต่อไปก็เท่ากับระยะทาง 1-9 ในแสนโยน์เท่านั้นเองชีวิตนี้จึงน้อยเกินไปสำหรับผมไม่พอที่จะเจียกเอาไปหาความเพลิดเพลินจากโลกียสุข ผมตั้งใจว่าจะรีบเร่งต่อไปให้ถึงจุดหมายอันยิ่งใหญ่คือพระนิพพานเสีทีจะได้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดอันน่าเบื่อหน่ า, น า, น า, นายนี้โอ้ท่านสหายท่านคิดชอบแล้วแต่ผมนี้เห็นจะต้องตกเป็นทาตของความเวียนว่ายตายเกิดไปอีกนานเพราะรู้สึกว่าจิตใจยังเป็นห่วงทั้งโลกอยู่มากเฉพาะอย่างยิ่ง ผมหลงไหลไฝ่ฝันในสตรีเพศเป็นที่สุดพระสุมาณะซึ่งเป็นสหายกล่าวกับข้าพเจ้าว่าผมเองก็เคยหลงไหลเช่นกับท่านต่อมาผมคิดถามตัวเองว่าการที่จะรักสตรีนั้นรักอะไรเขาเมื่อคิดดูด้วยจิตใจอันเป็นธรรมก็พบว่ารักรูปร่างของเขาเป็นประการแรกเพราะทุกที ที่ผมพบสตรีรูปสวยผมก็นึกรักทันทีแต่ถ้าพบสตรีเพศผู้อป ร, รักผมก็ไม่รู้สึกนึกรักเลยเมื่อทราบแน่ว่าตนรักรูปสวยเช่นนี้จึงคิดต่อไปว่าความสวยคืออะไรความสวยอยู่ที่ไหนปัญหาสองข้อนี้ผมคิดหาคำตอบได้อย่างลำบากยากเย็นมากก่อนอื่นผมพยายามจดจำลักษณะดวงตา ที่ผมเห็นว่าสวยที่สุดแล้วนําไปอธิบายให้เพื่อนฟังตาที่สวยจะต้องมีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเขาก็อธิบายลักษณะดวงตาที่เขาชอบให้ผมฟังผมนําส่วนอื่นๆของร่างกายไปเสนอความเห็นจากคนหลายคนแต่ละคนก็ให้ความเห็นต่างๆกันไปตามที่ตนชอบที่จะมีความเห็นตรงกันนั้นมีน้อยเต็มทีเมื่อเป็นเช่นนี้ผมจึงเข้าใจว่า ความสวยที่เป็นสากล น, นั้นไม่มีความสวยอยู่ที่ความพอใจของแต่ละคนใครชอบอย่างไรก็ว่าอย่างนั้นสวยความงามอยู่ที่ไหนนี่คือปัญหายุ่งอีกอย่างหนึ่งเป็นการยากที่จะยืนยันลงไปว่าความงามอยู่ตรงนั้นตรงนี้ถ้าเราจะถือว่าความงามอยู่ที่จมูกจมูกก็ควรจะงามตลอดไปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน แต่ถ้าเราตัดเอาจมูกไปวางไว้ต่างหากความงามที่จมูกก็หายไปทันทีหลังจากคิดอยู่นานก็พอจะรวมความเห็นได้ว่าความงามนั้นเกิดมีขึ้นเมื่ออวัยวะทุกส่วนรวมกันอยู่อย่างพอเหมาะเจาะถ้าขาดไปเสียแต่เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งแม้ส่วนอื่นจะยังอยู่ครบก็หางามไม่เช่นสตรีสวยๆถ้าเราตัดจมูกออกเสีย ก็หมดความงามคนสวยๆนี่แหละถ้าเราเถอเอาหนังไปกองไว้กองหนึ่งแล่เนื้อไปกองไว้กองหนึ่งเอากระดูกไปกองไว้กองหนึ่งแล้มายืนมองดูห่างๆจะไม่พบร่องรอยแห่งความสวยเลยแม้แต่น้อย ก่อนท่านสาหายเมื่อคิดดูถี่ถ้วนแล้วผมจึงลงความเห็นว่าความสวยเป็นแต่เพียงสิ่งมายาที่ฉากอยู่ภายนอกถ้าเรามองแต่ด้านนอกด้านเดียวก็จะพบกับความสวยแต่ถ้ามองให้ละเอียดถี่ท้วนแล้วจะไม่พบความสวยเลยพระบรมศาสด า, ส, ดาสอนให้เรามองในสิ่งต่างๆอย่างถี่ท้วนมองดูทุกๆด้านมองด้วยใจที่เป็นกลาง จึงจะพบความจริงถ้ามองเพียงเผลอๆก็จะพบความหลอกลวงแล้วก็จะเกิดความเข้าใจผิดหลงรักหลงชังหลงเกลียดหลงกลัวเหมือนบุรุษเดินไปตามทางในเวลาอันขมุขมัวเห็นเชือกขวางทางอยู่ยังไม่ได้ดูให้ละเอียดก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นงูแล้วก็เกิดความกลัวแต่ถ้าพิจารณาดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนพบความจริง ว่าไม่ใช่งูแล้วเขาจะไม่กลัวเลยอีกประการหนึ่งความงามมีอยู่ชั่วคราวเท่านั้นนาดีจะดูงามก็เฉพาะเยาว์วัยเท่านั้นเมื่ออายุครบห้าสิบปีไปแล้วความงามก็หายไปความงามอยู่ที่มีชีวิตสตรีรูปสวยๆเมื่อตายลงไปแล้วความงามก็หมดไปไม่มีใครต้องการสหายเอ๋ย เมื่อเห็นเช่นนี้แล้วผมก็ไม่ลหลงไหลยฝ่ฝันในสตรีเพศเหมือนแต่ก่อนจึงรู้สึกสบายใจตลอดมาคำพูดของพิสุผู้เป็นสหายให้ความสว่างแก่ข้าพเจ้าเป็นอย่างมากแต่ไม่ถึงกับทำให้ข้าพเจ้าลืมลีลาวดีได้เพราะข้าพเจ้ามิได้รักเธอทางรูปร่างอย่างเดียวแต่จิตใจอันซื่อสัตย์สุจริตและจงรักภักดี อย่างเยียบยอดของเธอด้วยข้าพเจ้าคุยกับพิสุผู้เป็นสหายอยู่เป็นเวลานานด้วยเรื่องชีวิตและธรรมะสุมณะพิษุพยายามชี้แจงให้ข้าพเจ้าเห็นถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของโลกเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายแต่รู้สึกว่าได้ผลน้อยเต็มทีเพราะจิตใจของข้าพเจ้าในขณะนั้นกำลังถูกความรักครอบงำอย่างหนาแน่น จุดเหตุผลของสาหายไม่สามารถจะแทงทะลุเข้าไปได้สาหายของข้าพเจ้าได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนจิตใจในทัศนะของท่านการที่ข้าพเจ้าจะศึกออกไปสู่ทางโลกนั้นก็เท่ากับเป็นการกระโจนลงสู่ทะเลทุกข์ทีเดียวท่านกล่าวว่าสาหายเอ๋ยโลกนี้เต็มไปด้วยเพลิงทุกชาวโลกกำลังถูกไฟ คือความหิวกระหายลามเลียจิตใจทุกคนกําลังตกอยู่ในสภาพคล้ายกับเสือหิวคือหิวรูปหิวเสียงหิวกลิ่นหิวรสและหิวสัมผัสเมื่อหิวก็แสวงหาสิ่งเหล่านี้มาสนองความหิวคนเราตกเป็นทาสของความหิวพยายามหาสิ่งต่างๆมาสนองความหิวได้ก็ชื่อว่าเป็นสุข เมื่อหาไม่ได้ก็เกิดทุกข์คือขวากหนามที่ดาดอยู่บนทางชีวิตเมื่อเหยียบเท้าลงไปเป็นต้องพบกับความเจ็บปวดระยะที่ว่างเว้นก็คือตอนยกเท้าขึ้นเท่านั้นตอนนี้แหละคนเข้าใจว่าสุขแต่ขณะที่ว่างเว้นจากหนามเพรยกขึ้นก้าวอีกเท้าหนึ่งก็กําลังเหยียบน้ำอยู่เพราะคนเราไม่ก้าวเดินสองขาพร้อมกัน ฉะนั้นชีวิตนี้จึงประสบสุขบ้างทุกบ้างสลับกันไปสหายเอย๋ย จุดมุ่งหมายใหญ่ของคนก็คือความสุขชาวโลกเข้าใจว่าสุขอยู่ที่ทรัพย์จึงพากันวิ่งวุ่นแสวงหาทรัพย์ครั้นได้มาแล้วก็พอใจอยู่ครู่เดียวเท่านั้นในไม่ช้าเมื่อเบื่อนายอยากจะได้ใหม่อีกคนเราคิดว่าถ้าได้สิ่งนั้นถ้ามีสิ่งนี้คงจะมีความสุขคลั้นได้แล้วก็หาเป็นสุขสมใจไม่ กลับโยนเอาความสุขไปไว้กับสิ่งอื่นอีกแล้วก็พยายามไ ข, ขว้าเอามาเป็นอันว่าคนเราวิ่งตามความสุขกันตลอดเวลาแต่วิ่งไล่ไม่ทันสักทีพอจะทันความสุขก็หนีไปข้างหน้าอยู่เรื่อยๆดูก่อนสหายผมเห็นว่าความสุขอย่างแท้จริงไม่มีในโลกที่เราเข้าใจว่าสุขนั้นก็คือทุกน้อยลงเท่านั้นเอง ตัวเราก็คือค้อทุกข์เต็มไปด้วยความเจ็บปวดความหิวและความอ่อนเพลียและทุกข์อื่นๆ อ, อ, อีกจนนับแทบจะไม่ไหวสิ่งต่างๆที่อยู่รอบกายเราล้วนแต่เป็นสิ่งที่แก้ทุกข์ทั้งนั้นเราหาทางแก้ทุกข์กันอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เมื่อตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนประเดี๋ยวหิวก็ต้องกินอาหารประเดี๋ยวปวดหลังปวดเอวก็ต้องนอน นอนนานนักก็รู้สึกเมื่อยต้องลุกขึ้นทํางานทํางานไปรู้สึกเหนื่อยก็ต้องพักรู้สึกกระหายก็ต้องดื่มน้ํารู้สึกง่วงก็ต้องนอนรู้สึกปวดอุจจละก็ต้องถ่ายออกรู้สึกหิวก็ต้องกินอีกรู้สึกเหนียวตัวก็ต้องอาบน้ําเหล่านี้เป็นต้นเป็นเรื่องของการแก้ทุกข์ทั้งนั้นคิดๆไปโลกเหล่านี้ก็คล้ายกับโรงพยาบาลใหญ่ คนทุกคนเป็นคนป่วยป่วยด้วยโรคทุกถ้าทุกได้บำบัดก็รู้สึกสบายขึ้นคนก็เข้าใจว่าตนมีความสุขเอาเถอะถึงจะบำบัดได้ทุกชนิดทุกใหญ่คือความแก่และความตายก็กำลังรออยู่ข้างหน้าทุกทั้งสองนั้นไม่มีใครบำบัดได้เลย ก่อนท่านสหายเพียงตัวเราคนเดียวก็หนักถึงเพียงนี้แล้วแบกแทบจะไม่ไหวทีเดียวถ้ามีเมียมีลูกมีคนใช้มีนายมีเพื่อนบวกเข้ามาให้เราแบกอีกจะไม่หนักแย่หรือผมจะเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังเมื่อสองปีมาแล้วผมนึกรักกุลสตรีรูปงามคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีนี้ผมนึกรักคนเดียวเงียบเงียบ โดยที่เธอไม่รู้สึกตัวเธอมาฟังธรรมที่พระเทตะวันกับมาดาข้องเธอแทบจะทุกเวลาเย็นความรักแบบนี้ทําให้ผมมีความสุขบ้างเมื่อได้เห็นหน้าเธอได้ยินเสียงเธอแต่เมื่อไม่เห็นหน้าเธอดูเหมือนจะได้รับความทุกข์มากกว่าความสุขเพราะรู้สึกเศร้าใจอะไรคิดถึงเธอต่อมาคุณลสตรีคนนั้นได้สมรสกับบุตรเศรษฐีคนหนึ่ง แล้วหนีไปอยู่เมืองสาเกตพอได้ทราบข่าวผมก็รู้สึกเสียใจเป็นอันมากผมกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่หลายเพลาในที่สุดจึงคิดถามตัวเองว่าทำไมจึงเสียใจและก็ได้คำตอบว่า<อ>เหตุที่เสียใจ<อ>ก็เพราะผมได้เอาใจใส่ในกุลสตรีคนนั้นเอาใจไปผูกยึดไว้เมื่อกุลสตรีคนนั้น ไปมีสามีใจของผมก็ปลอยเสียไปด้วยไม่ว่าอะไรทั้งนั้นถ้าเอาใจไปใส่ไว้ไปยึดไว้เมื่อสิ่งนั้นเกิดสูญเสียไปใจเราก็พลอยเสียไปด้วยเมื่อรู้เช่นนั้นผมจึงพยายามถอนจิตใจของผมออกมาจากสิ่งต่างๆไม่ยึดไม่ถืออะไรทั้งสิ้นแม้แต่ร่างกายของเราเองก็รู้สึกว่าสบายใจดีเหมือนกัน พิษุผู้สหายเป็นฝ่ายคุยอยู่ผู้เดียวเกือบตลอดเวลาข้าพเจ้านั่งฟังอยู่จนได้เวลาอันสมควรจึงได้ลาสหายไปหาพระอาจารย์แล้วกล่าวคำอำลาท่านอาจารย์ได้เทศนาะให้ข้าพเจ้าฟังอีกกันใหญ่ทีเดียวท่านประนามความสุขแบบโลกอย่างหนักยิ่งกว่าสุมาณะพิสูพู้สหายของข้าพเจ้าสิอีกแต่ยิ่งประนามหนักก็ดูเหมือนทําให้ข้าพเจ้า เห็นใจลีลาวดียิ่งขึ้นเพียงนั้นข้าพเจ้าต้องใช้ความอดทนอย่างมากในการฟังโอวาทของท่านบางครั้งก็คิดอยากจะเถียงเหมือนกันแต่ด้วยความเคารพนับถือในท่านมากเกินไปจึงระงับไว้ได้ในที่สุดท่านอาจารย์ก็ไม่ยอมให้ข้าพเจ้าศึกท่านให้เวลาข้าพเจ้ากลับไปคิดอีกสองวันแล้วจึงกลับมาบอกท่าน ข้าพเจ้าปฏิบัติตามท่านด้วยดีอย่างที่เคยปฏิบัติมาแล้วเมื่อกลับถึงบุพผาลามข้าพเจ้าก็เข้านอนในกุฏิน้อยใต้ร่มสาระตามเดิม ท่านอาจารย์ให้เวลาข้าพเจ้าคิดอีกสองวันแต่ข้าพเจ้าไม่มีอะไรที่จะต้องคิดเพราะได้ตัดสินใจลงไปอย่างเด็ดขาดแน่นอนแล้วไม่มีอะไรจะมาเปลี่ยนแปลงความคิดของข้าพเจ้าได้นอกจากลีลาวดีคนเดียวเท่านั้นเวลานั้นจิตใจของข้าพเจ้าเป็นคารวาสอย่างเต็มที่แล้วยังเป็นพระอยู่เฉพาะทางรูปร่างเท่านั้นข้าพเจ้านอนคิดแผนการอนาคต สร้างวิมานในอากาศอย่างสบายใจอีกสองสาวันเท่านั้นข้าพเจ้าก็จะกลายเป็นสามีของดิราวดีกลายเป็นผู้จัดการทรัพย์สมบัติอันมหาศาลแทนท่านสุมังคระคฤหบดีดูก่อนท่านผู้มีอายุในวันลุ่งขึ้นนั่นเองวิมานอันเจิดจ้าของข้าพเจ้าก็พังทลายลงอย่างสิ้นเชิงท่านคงจะประหลาดใจมาก ข้าพเจ้าจะบอกท่านว่าลีลาวดีเองเป็นผู้ทํำลายวิมานของข้าพเจ้าฟังดูแล้วก็ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นมาแล้วข้าพเจ้าจะเล่ารายละเอียดถวายต่อไปเช้าวันนั้นขณะที่กําลังนั่งเล่นอยู่ใต้ร่มสาระมีชายคนหนึ่งนําจดหมายฉบับหนึ่งมาส่งให้ข้าพเจ้าเขาบอกว่าเป็นจดหมายของลีลาวดีข้าพเจ้าเปิดออกอ่านทันที และก็ได้พบว่าเป็นลายมือของดิลาวดีจริงๆจดหมายฉบับนั้นมีข้อความดังต่อไปนี้ท่านที่รักและเคารพอย่างสูงดิลาวดีต้องขอโทษท่านสักร้อยครั้งที่จะต้องทําให้ท่านเสียใจเพราะจดหมายฉบับนี้มันคงทําให้ท่านได้รับความสะเทือนใจอย่างหนักแต่ก็ยังอุ่นใจอยู่ว่า ท่านเป็นผู้อบรมทางจิตใจมามากคงจะพอบรรเทาได้ลีลาวดีขอกราบลาท่านเข้าสู่พิธีมงคลสมรสกับสุวัฒนกุมารในปลายเดือนนี้ด้วยลีลาวดีตัดสินใจสละท่านรับเอาสุวัฒนกุมารเพราะเหตุผลอย่างเดียวคือบุญคุณของแม่ชีวิตร่างกายนี้ลีลาวดีได้มาจากแม่เป็นสมบัติของแม่ลีลาวดี จึงมอบคืนให้ท่านจัดการตามประสงค์แต่ส่วนจิตใจนั้นเป็นของลีลาวดีโดยตรงและลีลาวดีขอมอบให้ท่านคนเดียวโปรดให้อภัยแก่ลีลาวดีด้วยนะคะสำหรับอดีตที่ผ่านมาแล้วขอให้ถือเสว่าเป็นความฝันธรรมดาความฝันย่อมจะมีทั้งดีและร้ายเวลานี้เราตื่นแล้วจงลืมมันเสียลีลาวดีเกิดมามีกรรม จึงขอใช้กรคำไปก่อนจนกว่าจะหมดในชาตินี้ความรักของเราไม่สําเร็จผลสมใจในชาติหน้าขอให้เราได้พบกันอีกและขอให้ความรักของเราจงราบรื่นปราศจากอุปสรรคใดๆถ้าการลืมลีลาวดีจะทําให้ท่านสบายใจขึ้นก็จงลืมลีลาวดีเสียคิดว่าลีลาวดีได้ตายไปแล้วจากโลกนี้ก็แล้วกัน ขอกราบลาท่านอีกเป็นครั้งสุดท้ายขอให้ท่านเจริญสุขผ่ายใต้ร่มกาสาวพัดตลอดไปด้วยความรักและเคารพอย่างสูงจากลีลาวดี ดูก่อนท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าแทบจะไม่เชื่อสายตาของข้าพเจ้าเองว่าได้อ่านข้อความเหล่านี้เพราะความรู้สึกในขณะนั้นเลื่อนลางเต็มทีคล้ายกับความรู้สึกนึกคิดในความฝันข้าพเจ้าหยิบจดหมายฉบับนั้นขึ้นอ่านอีกเป็นครั้งที่สและ4จึงแน่ใจว่าตัวเองไม่ได้ฝันไปเพราสติสัมปชัญญะกลับคืนมาความรู้สึกอย่างใหม่ ก็เกิดขึ้นในจิตใจของข้าพเจ้าเป็นความโกรธแค้นชิงชังอย่างร้ายกาจถ้าหากลีลาวดีอยู่ในที่นั้นด้วยข้าพเจ้าจะตรงเข้าไปบีบคอเธอตายอย่างแน่นอนท่านผู้มีอายุเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ข้าพเจ้ารู้สึกกับรสชาติของความผิดหวังมันทําเอาข้าพเจ้าแทบกลายเป็นคนวิกลจริตไปทีเดียวข้าพเจ้าเข้าสู่กุฏิปิดประตูเสีย แล้วเดินงุนง่านกลับไปกลับมาคล้ายกับเสือติดกลงบางครั้งความคิดบ้าๆก็เกิดขึ้นข้าพเจ้าคิดจะสึกไปฆ่าลีลาวดีและสุวรรนกุมารเสียให้สมแค้นแต่แล้วความคิดอย่างป่าเถื่อนนั้นก็หายไปเมื่อถุกคิดขึ้นมาได้ว่าเขาไม่มีความผิดอะไรที่ควรจะได้รับโทษหนักเช่นนั้นเขามีสิทธิอันชอบธรรมที่จะจัดการกับชีวิตของเขา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 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามคำสอนของสหายโดยการถอนเอาความรักความอาลัยในลีลาวดีคืนมาให้หมดพยายามข่มใจคิดว่าลีลาวดีได้ตายไปเสียแล้วจากโลกนี้แต่ก็ได้ผลน้อยเต็มทีสำหรับความรักความอาลัยข้าพเจ้าตะกนอยู่ในใจคนเดียวว่าลีลาวดีผู้ทรยศแต่การที่จะคิดว่า เธอได้ตายไปแล้วนั้นคิดได้ยากจริงๆเพราะลีลาวดียังมีชีวิตอยู่จะลืมเธอได้ก็ต่อเมื่อลีลาวดีตายไปจริงๆแล้วเท่านั้นดูก่อนท่านผู้มีอายุ ข้าพเจ้าทราบภายหลังว่าความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้เกิดขึ้นเพราะสุวัฒนกุมารคนเดียวเท่านั้นพอได้ทราบจากนางเครือหาปตานีว่าลีลาวดีรักข้าพเจ้าเขาก็วางแผนการทำลายความรักของเราทันทีเป็นการง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายไปกว่ากระดาษสองแผ่นแต่ผลที่ได้รับยิ่งใหญ่เกินคาดหมาย พรากระดาษสองแผ่นนั้นสามารถทำให้ความรักของเราทั้งสองขาดสะบั้นลงอย่างสิ้นเชิงเขาเขียนจดหมายขึ้นฉบับหนึ่งทำลายมือให้คล้ายกับลายมือของลีลาวดีเป็นคำพูดของลีลาวดีเซ็นชื่อลีลาวดีแล้วส่งถึงข้าพเจ้ามีเนื้อความดังกล่าวแล้วจดหมายฉบับนั้นได้ผลเกินคาดหมายมันทำให้ข้าพเจ้าโกโรธและเกลียดลีลาวดีอย่างรุนแรง จดต้องในประเทศตัวเองหนีจากกลุ่มสาวัถีลีลาวดีได้รับจดหมายฉบับหนึ่งเป็นลายมือของข้าพเจ้าถ้อยคําก็เป็นของข้าพเจ้าและลายเซ็นก็เป็นชื่อของข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าไม่เคยเขียนจดหมายฉบับนั้นมันเป็นแผนการของเจ้าหนุ่มตักกศิลาทั้งเพลลีลาวดีอ่านข้อความเหล่านั้นด้วยน้ําตา ข้อความในจดหมายปลอมฉบับนั้นมีว่าพร้อมด้วยจดหมายฉบับนี้อาตมาขอลาไปสู่จุดหมายปลายทางที่ยังไม่ปรากฏอาตมาได้ตัดสินใจหนีจากดีลาวดีและกรุมสาวัถีคราวนี้เพราะพิจารณาเห็นว่าถ้าอยู่ที่นี่ต่อไปจะเป็นอุปสรรคขัดขวางความสุขของดีลาวดีต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด อาตมาไม่เหมาะสมกับลีลาวดีโดยประการทั้งปวงกรรมต่ชาติก่อนได้ส่งผลให้อาตมาเกิดมาเป็นจันทานเป็นที่รังเกียจเยียดยามของคนทั้งชูปูทวีปชะตากรรมในชาตินี้ได้ผลักดันให้อาตมากลายเป็นมหาโจรผู้มีเบื้องหลังอันโสกปลกโสมมอมอาตมาเป็นสมณนะไม่มีอะไรเป็นของตัวเองนอกจากบาตรและจีวร อัตมากับลีลาวดีมีฐานะห่างไกลกันดุดฟ้าและดินค่าของอัตมาน้อยกว่าผงทุดีที่ฝ่าเท้าของเธอเมื่อพิจารณาดูสภาพของตัวเองอย่างถี่ถ้วนแล้วอัตมารู้สึกเอออายใจตัวเองเลวยเกินจนไม่อาจอยู่ดูหน้าลีลาวดีและชาวเมืองสาวัตถีต่อไปอีกได้จึงขอลาไปตามยถากรรมของตนจงลืมอัตมา และแต่งงานกับสุวัฒนกุมาเรเสถิดเขาอยู่ในฐานะเหมาะสมกับลีราวดีทุกประการนอกจากจะเป็นความสุขสำหรับลีราวดีแล้วยังเป็นการสนองคุณของมารดาด้วยถ้าลีราวดียังสงสารอาตมาและปรารถนาดีต่ออาตมาก็จงแต่งงานกับสุวัฒนกุมารโดยเร็วอาตมาจะเป็นสุขใจที่สุดเมื่อได้ทราบข่าวการแต่งงานของลีลาวดี แม่จะรู้ตัวดีว่าต่ําต้อยเลวซามและไม่อยากฝ่ายสูงให้เกินสักแต่อัตมาก็ไม่อาจหักข้ามจิตใจมิให้อะไรรักต่อลีลาวดีได้อัตมายังรักลีลาวดีอยู่และจะรักตลอดไปชั่วที่ลันดอนชาตินี้ความรักของเราไม่สมปรารถนาเพราะชาติชั้นวันะอันต่ําต้อยของอัตมาเองกิดกันชาติหน้าขอให้เรา ได้ร่วมกันอีกอัตมาจะสร้างสมบุญบา ร, รมีให้เทียบเทียมกับลีลาวดีต่อไปจงมีความสุขและสดชื่นกับครอบครัวอย่าให้ความคิดใดๆเกี่ยวกับอัตมารบกวนความสุขคิดซะว่าอัตมาได้ตายไปแล้วจากโลกนี้ความจริงชีวิตของอัตมาเมื่อปราศจากลีลาวดีเสร็แล้วก็เท่ากับตายจริงๆ อย่าพยายามสืบถามหาอาตมาไม่มีประโยชน์ดอกอาตมาจะไปให้ไกลที่สุดจากสาวถีและจะไม่กลับมาอีกขอลาเป็นครั้งสุดท้ายรักชั่วนิรันดรจากเรวตะ ลาวดีเชื่ออย่างสนิทว่าเป็นจดหมายของข้าพเจ้าเช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าเชื่อว่าจดหมายฉบับนั้นเป็นของเธอแต่ด้วยความหวังที่เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยเธอได้รีบส่งคนออกสืบถามหาข้าพเจ้าทั่ทั่วกรุงสาวัถีทั้งที่เทตาวนารามและบุภารามแต่ก็หามีใครพบข้าพเจ้าไม่เพราะข้าพเจ้าได้หนีไปเสียแล้วจากกลุ่งสาวัถี ก่อนที่เธอจะได้รับจดหมายปลอมถึงสามวันเมื่อความหวังชิ้นสุดท้ายหายไปลีลาวดีก็เข้าห้องปิดประตูขังตัวเองไว้ภายในระบายความเศร้าโศกออกมาทางน้ำตานี่แหละหนาพระบรมศาสดาจึงได้ตรัสไว้ว่าปิยโตชายเต โ, ตโสโกความสุขย่อมเกิดจากความรักปิยโต ชายเตพยังความกลัวย่อมเกิดจากความรักเปียโตวิปมุตตสะเมื่อพ้นจากความรักแล้วนัตติโสโกโกุตโตพยังความโศกก็ไม่มีความกลัวจะมีที่ไหน ที่ลีลาวดีกาลังร้องไห้เพราะเพลิงทุกข์อยู่นั่นเองสุวัฒนกุมารก็หัวเราะต่อผลสาเร็จแห่งแผนการของเขานางพระมณีผู้เป็นมารดาของลีลาวดีก็พลอยโล่งอกไปด้วยที่ได้ทราบว่าข้าพเจ้าได้หนีจากกรุงสาวัตถีไปแล้วนางพระมณีได้พูดขึ้นว่าไม่เสียทีที่เจ้าสำเร็จการศึกษามาจากตักกศีลาแล้ว พระเลวตาหนีไปแล้วเช่นนี้ลีลาวดีต้องเป็นของเจ้าแน่นอนนางพูดกับลูกเขยในอนาคตของตนอย่างชื่นชมเป็นอันว่าแผนการอันลามกของสุวัรน ก, กุมารสําเร็จเรียบร้อยแล้วไปขั้นหนึ่งขั้นสองยังมีเขาสามารถเอาชนะหัวใจเพชรของลีลาวดีได้ง่ายดายเช่นนั้นเชียวหรือ ดูก่อนท่านผู้มีอายุสำหรับลีลาวดีหยุดไว้แค่นั้นก่อนหันมาจับเรื่องของข้าพเจ้าต่อไปท่านคงจะจำได้ว่าพระอาจารย์กะเวลาให้ข้าพเจ้าไปบอกท่านที่เจตาวนารามภายในสองวันแต่เมื่อได้รับจดหมายปลอมของลีลาวดีแล้วข้าพเจ้าก็เกิดความโกรธแค้นจิ้งจังเธออย่างรุนแรงเคยรักเธอมากเท่าใด ก็เกลียดมากเท่านั้นความโกรธแค้นอันเกิดจากความผิดหวังในลีลาวดีทําให้ความคิดอ่านของข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงไปในแนวใหมท่ทันทีความรักที่ข้าพเจ้าเคยมีต่อลีลาวดีอย่างท่วมหัวใจได้ถูกความโกรธแค้นเผาพินาศไปหมดสิน้นข้าพเจ้ากราบลงที่นอนสามครั้งตั้งจิตระลึกถึงพระบรมศาสดาแล้วปฏิญาณในใจว่า ข้าพเจ้าขอมอบอุทิศชีวิตในพระพุทธศาสนาขอตายในร่มกาสาวพัดและขอเว้นขาดจากการติดต่อกับสตรีเพศตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอเทพเจ้าในสากลจักรวาลจงเป็นพยานแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด อธิษฐานเสร็จแล้วข้าพเจ้าก็จัดแจงเก็บบริขารเตรียมตัวออกเดินทางทันทีเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยก็สะพายบาตรแบกกรดข้ามแม่น้ําอจิรวดีไปโดยไม่ได้กลับไปบอกกับท่านอาจารย์เพราะต้องการจะไปอย่างเงียบเชียบไม่ให้ใครรู้กลัวเขาจะตามไปพบตัวเมื่อข้ามแม่น้ําอจิรวดีไปแล้วข้าพเจ้าก็เดินทางข้ามทุ่งนาป่าไม้ ไปทางที่ตะวันออกอย่างเร่งรีบในขณะนั้นแม้ตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเพื่ออะไรมีจุดประสงค์อยู่แต่เพียงอย่างเดียวว่าจะหนีไปจากกรุงสาวัตถีจากลีลาวดีผู้ทรยศให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้เท่านั้นท่านผู้มีอายุในที่สุดข้าพเจ้าก็กลายเป็นคนผนจร อ, อีกครั้งหนึ่งและคงผนิจจ์ อีกต่อไปตลอดชาติเป็นชีวิตที่ละหกละเหินพอดูคิดคิดไปก็สงสารตัวเองถ้าพระพรหมเป็นผู้ลิขิตเส้นทางชีวิตของทุกคนจริงพระองค์คงกำหนดให้ข้าพเจ้าเป็นผู้แสดงบทโศกบนเวทีเพราะพอเปิดฉากแรกข้าพเจ้าก็แสดงเป็นเด็กจันทานแห่งครอบครัวที่ยากจนไล่ต้อนฝูงโคอยู่ตามทุ่งนาและตามริมป่าไม้ ริมฝั่งแม่น้ำอจิรวดีในฉากที่สองข้าพเจ้าต้องแสดงเป็นคนใช้ของนายผู้ทารุณในนครสาวัตถีในฉากที่สผนพระกิกิตให้แสดงเป็นมหาโจรผู้หยาบช้าทารุณเพราะเปิดฉากที่สข้าพเจ้าก็กลายเป็นพระสมณะผู้มีลักษณะตรงกันข้ามกับมหาโจรภายในฉากที่สี่นี้ ข้าพเจ้าต้องแสดงบทโศกไปด้วยพราะฉากที่สี่ปิดลงข้าพเจ้าก็ต้องกลายเป็นชายพเ น, จนิจจรในฉากที่สี่นี้ยังคงแสดงอยู่จะไปปิดฉากลงในรูปใดก็ขอให้ท่านผู้มีอายุคอยฟังต่อไป ดูก่อนท่านผู้มีอายุการทรยศของลีลาวดีทําให้ข้าพเจ้าหมดความอะไรในสิ่งใดๆหมดรวมทั้งชีวิตของตนเองข้าพเจ้าสภายบาทแบกกรดท่องเที่ยวไปอย่างคนที่ไร้จิตใจเวลาผ่านมาแล้วเท่าใดข้าพเจ้าไม่เอาใจใส่หน้าที่ของข้าพเจ้าก็คือการเดินทางเดินทางไปข้างหน้าจนกว่าจะหมดกําลังขาท่องเที่ยวไปอย่างอิสระ ประดุกปลาที่ท่องเที่ยวไปในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่และนกน้อยที่บินไปเหนือนท้องฟ้าน้าากาศอันไพศาลตลอดระยะทางอันยืดยาวที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พบกับภูมิประเทศแปลกๆได้เผชิญกับความยากลำบากนานาประการได้พบกับคนหลายชั้นวรณนนะหลายธรรมเนียมประเพณีสิ่งเหล่านี้เป็นเสมือนยา ที่ช่วยสมานแผลในหัวใจของข้าพเจ้าให้ค่อยดีขึ้นดีลาวดีค่อยๆเลือนหายไปจากความทรงจําของข้าพเจ้าทีละน้อยสิ่งที่เข้ามาแทนก็คือความรักในการเดินชมสิ่งแปลกๆในโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลความรักอันเยือกเย็นในธรรมชาติของป่าเขาลําเนาไพลอันปราศจากเล่ย์ลี่ยมกลนโกง บ้านน้อยเมืองใหญ่นับจำนวนไม่ถ้วนข้าพเจ้าผ่านมาแล้วแต่ไม่มีแห่งใดเรื่นรมเท่ากับถ้ำภูเขาและราวป่าอันเงียบสงัดแห่งชนบทที่ห่างไกลสำหรับข้าพเจ้าในเวลานั้นลานหินอันราบเรียบและพรึกัชาติอันร่มเย็นมีความหมายยิ่งกว่าคฤือหาดอันโอโทงเสียงน้าไหลเสาะหินในลาธาร และเสียงกริดร้องจ า, จากจักจันทร์เรไรในป่าช่างฟังเพราะเสียงยี่งกว่าเพลงขับซึ่งครอด้วยดนตรีของชาวเมืองแสงเดือนดาวในราตรีดูเหมือนเย็นตาหน้าชมกว่าแสงประทีปโคมไฟหลากสีในพระนครสิงสาดาสัตว์ในป่าถ้าเราครบมันด้วยจิตใจที่เปลี่ยนไปด้วยเมตตา ดูน่าครบไม่แพ้มนุษย์ผู้เจริญด้วยวัฒนธรรมขณะที่ท่องเที่ยวไป <ises> ข้าพเจ้าก็สั่งสอนประชาชนไปด้วย